พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส1บอ็ดพระสูตรที่ห้าสัมปสาธนิยสูตรสูตรว่าด้วยคุณธรรมที่น่าเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคประทับนป่ามะม่วงซึ่งเศรษฐีขายผ้าเป็นผู้ถวายคือปาวาริกรัรมพวันพระสาวเรบุตรเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าท่านเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคว่า ไม่มีสมณพราหมณ์ใดในอดีตอนาคตปัจจุบันยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในทางตรัสรู้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านเปล่งวาจาอย่างอาจหานบันลือีหนาายืนยันแน่ลงไปโดยส่วนเดียวท่านกําหนดรู้จิตของพระผู้มีพระภาคในอดีตอนาคตปัจจุบันหรือว่ามีศีลมีธรรมมีปัญญา มีทำเป็นเครื่องอยู่และหลุดพ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้พระสารีบุตรตอบว่าเปล่าพระเจ้าข้าจึงตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุชไหนจึงเปล่งวาจาอย่างอาจหาันบรรลือรีหนาตยืนยันแน่ลงไปโดยส่วนเดียวอย่างนี้พระสารีบุตรกราบทูลแสดงความแน่ใจของท่านว่าเปรียบเหมือนนายประตูผู้ฉลาด เฝ้าอยู่ทางประตูเข้าออกไม่เห็นทางอื่นเช่นที่ต่อกำแพงหรือช่องกำแพงแม้ที่แมวจะเข้าออกได้เขาย่อมแน่ใจว่าสัตว์ตัวใหญ่ย่อมเข้าออกพระนคร น, นี้ทางประตูนี้เท่านั้นตัวท่านเองก็เป็นเช่นนั้นรู้ในแห่งธรรมว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบัน ทรงละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันทำสัญญาให้อ่อนกำลังทรงตั้งจิตไว้ด้วยดีในสติปัฏฐาน 4, สี่ทรงเจริญโพชงเจ็ดตามเป็นจริงแล้วจึงได้บรรลุอนุจระสัมมาสัมโวทิถยาอันยอดเยี่ยมท่านได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อสับธรรมเมื่อสับธรรมแล้วก็รู้ยิ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้น ถึงความสำเร็จในธรรมคืออริยสัจเริ่มใส่ในพระสัสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคแสดงดีแล้วพระสงค์ปฏิบัติดีแล้วสำหรับในตอนนี้มีคำที่ควรชี้ความหมายสี่คือหนึ่งนิวรคือกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุ ค, คุณความดี สสติปัฏฐานการตั้งสติ 3. ามโคดชงองแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้และ 4. อนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณญาณคือการตรัสรู้เองโดยชอบอันยอดเยี่ยมข้อหน้าเรื่มใส15้าข้อ ครั้นแล้วท่านได้แสดงธรรมอันยอดเยี่ยมที่พระผู้มีพระภาคแสดงแก่ท่านซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสรู้อย่างไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อที่ควรรู้ยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งจะพึงมีสมณะพราหมณ์อื่นยิ่งไปกว่าเป็นข้อข้แดังต่อไปนี้หนึ่งกุศลธรรมแสดงโพธิปักคียธรรม37ประการตามหัวข้อใหญ่ มีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นจนถึงมรรคมีองค์8 2. ดธรรมะในการบัญญัติอายตนะทั้งภายในและภายนอกคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพทพะและใจกับธรรมะ 3. ธรรมะในการก้าวลงสู่ขันมีสี่ชนิด มีการก้าวลงสู่คันการตั้งอยู่การออกจากคันโดยไม่มีความรู้สึกตัวรู้ตัวในข้อแรกไม่รู้ตัวในสองข้อหลังรู้ตัวในสองข้อแรกไม่รู้ตัวในข้อหลังรู้ตัวทั้งสามข้อ 4. ธรรมะในทัศนะสมาบัติเข้าฌานที่มีการเห็นอารมณ์ต่างๆรวมสอย่าง คือเห็นอาการ32มสองมีผมขนเป็นต้นพิจารณากระดูกพิจารณากระแสวิญญาณของบุรุษอันตั้งอยู่ในโลกนี้และโลกอื่นพิจารณาวิญญาณของบุรุษอันไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้และโลกอื่น 5. ธรรมะในการบัญญัติบุคคลมีเจ็ดอย่างมีอุปโตภาควิมุตผู้พ้นโดยส่วนทั้งสองเป็นต้น จนถึงศรัท ธ, ธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัท ธ, ธาหกธรรมะในกลุ่มที่เป็นประธานคือผู้ชงองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เจ็อย่างเป็นต้นเจ็ดธรรมะในข้อปฏิบัติมีสี่อย่างมีปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าเป็นต้นแปดธรรมะ ในความปรับฤึ้เกี่ยวกับคำพูดมีสี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคือไม่ยุให้แตกร้าวกันไม่พูดแข่งดีหวังจะได้ชัยชนะเช่นเมื่อถูกว่าท่านเป็นคนทุศีนก็ตอบว่าท่านนสิกทุศีนอาจารย์ของท่านก็ทุศีนพูดด้วยใช้ปัญญามีข้ออ้างอิงถูกต้องตามกาลเก ธรรมะในวิธีสั่งสอนคือรู้วิธีสั่งสอนให้เป็นพระอริยบุคคลสี่ชั้นมีพระโสดาบันเป็นต้น 10. ธรรมะในการรู้ความหลุดพ้นของผู้อื่นรู้ความหลุดพ้นของพระอริยบุคคลสี่อธรรมะในสัจสตาวาทะคือลัทธิที่เห็นว่าเที่ยงมีสามอย่าง คือเห็นว่าตนและโลกเที่ยงร ะ, ระลึกชาติได้เป็นต้น 12. ธรรมะในยานย่างรู้ความจุติคือเคลื่อนหรือตายและอุบัติคือเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายมีทิพยะจักษุเห็นสัตว์ได้ชั่วได้ดีตามกรรมของตน 13. ธรรมะในการแสดงฤทธิ์ทั้งฤทธิ์ที่มีอาสวะและกิเลส ละฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวะและกิเลส 14. พระผู้มีพระภาคทรงบรรลุธรรมที่บุรุษผู้มีศรัทธาพึงบรรลุด้วยความเพียรด้วยเรี่ยวแรงด้วยความบากบั่นของบุรุษไม่ทรงประกอบพระองค์ให้ชุ่มด้วยกามไม่ทรงประกอบการทรมานพระองค์ให้ลำบากทรงได้ฌานสี่อันเป็นเรื่องของจิตใจชั้นสูง อันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามพระประสงค์โดยไม่ยากลำบากครั้นแล้วท่านก็ย้ำความแน่ใจของท่านว่าเมื่อมีใครถามท่านก็จะยืนยันว่าไม่มีสมณะพรามทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันจะยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางตรัสรู้แต่ถ้าถามว่ามีสมณะพรามในอดีตในอนาคต ที่เสมอด้วยพระผู้มีพระภาคในทางตรัสจะรู้หรือไม่ก็จะตอบว่ามีแต่ถ้าถามถึงปัจจุบันก็จะตอบว่าไม่มีถ้าถูกถามอีกว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็จะตอบว่าเคยได้สดับมาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอนาคต ที่เสมอด้วยพระองค์ในทางตรัสรู้และได้เคยสดับในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเช่นเดียวกันว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่ในโล ก, กาธาตุเดียวกันจะมีพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันสองพระองค์พระผู้มีพระภาคก็ตรัสรับรองภาษิตของพระสาวรีบุตร คาของพระอุทายีพระอุทายีก็กราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ทรงมีความปรารถนาน้อยความสันโดษความขัดเกลวาทั้งๆที่ทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่ทรงทาพระองค์ให้ปรากฏข้อนี้หมายถึงโออวด